ชีวิตของเรามีอาการเหตุปัจจัยหลายอย่าง <c oughs> ที่มันจะเกิดขึ้นกับลูกนแหลเราจะมาศึกษามาศึกษาเรื่องของชีวิตเรามันไม่โลกมีนามโลกทานามทา แต่ก่อนนี่เราไม่รู้จักโลกธรรมนามธรรมเลยไม่ค่อยเฉลีาดเพื่อเรื่องโลกเรื่องนามโลกธรรมนามธรรมทําให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์ทำให้เราโลกหลงเบียดเบี่ยนตนและเบียดเบียนคนอื่นเราจะมาศึก ษ, ษาเราจัดการกับตัวเองก็ไม่ค่อยเป็นสมัยก่อน เรื่องศาสนาก็มีเรื่องศิลธรรมวัฒนธรรมเรื่องอะไรที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกันเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องพี่น้องเรื่องพิธีรีตองอะไรต่างๆแล้วเกี่ยวข้องแบบสุดต่งทางใดทางนึ่งอะไรที่เป็นสมมุติอะไรที่เป็นบัญญัติอะไรที่เป็นปรมัตดเราก็ไม่ค่อยจะรู้จัก เอาของไม่จร hmm! ิงมาเป็นของจริงเอาของที่จริงเป็นของไม่จริงเอาของที่ผิดมาเป็นเรื่องถูกตูเอาความผิดมาเป็นเรื่องถูกทงลายความถูกให้กลายเป็นเรื่องผิดในตัวเรานี่จช่ไห่ครับปฏิบัติตัวอยู่ในความผิดความโกรธความโลภความหลงยึดมั่นถือมั่นไม่ปฏิบัติตัวอยู่ในความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ทำจริงข ไปทำสิ่งที่ไม่จริงไปทิ้งสิ่งที่เป็นความจริงความกลัวกับกล้าความกล้ากับกลัวสิ่งที่ควรกลัวกับไปกล้าสิ่งที่ควรกล้าก็ไปกลัวคร่ไหมั่ปองนั้นชีวิตเราขนหัวลุกถ้าจะมาเปรียบเทียบกับการศึกษาปฏิบัติธรรมเนะียเสียเวลามากชีวิตเรานะครับเราจะมาศึกษา พอศึกษามันรู้มันก็จัดการกับตัวเองถูกจัดการกับกายถูกจัดการกับจิตใจถูกเราไม่กินเหล้าเราไม่สูบบุหรี่เราไม่โกรธเราไม่โลภเราไม่หลงเราไม่กังวลเรื่องของเราไม่กังวลเรื่องของคนอื่นมีแต่จะช่วยให้เกิด ความถูกต้องกับตัวเองกับคนอื่นให้ตรงเส้นตรงาหางกับคงเส้นคงวางมืวเรานี่บางทีมันก็มีอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกีย่ยวข้องกับหมูกับมิดบางทีก็เอาทุละ บางทีก็ไม่ไหวก็วางธุละก็นี้การเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ว่าจะตรงเป๊ะบางทีเราก็รู้จักยืดยุ่นกับการกระทาของเราให้เป็นอิสระโดยเพราะการปฏิบัติทรรนไม่ได้ไม่ได้บังคับกัน หรือว่าทุกคนทำดีแล้วถ้ามีสติมีสมรช ญ, ญามีหลายคนที่มาเอาแบบ ต, ต่างๆมาใช้ในที่ปฏิบัติธรรมบางทีก็ไปส่งบาตรอุ้มบาตรไปส่งรับบาตรแล้วก็ล่างเท่าให้ มารับใช้รีบชั้นอาหารเสร็จพระผู้น้อยรีบชั้นอาหารเสร็จมาคอยรับใช้พระเถระมาลิ้นน้มใส่แก้วให้เอากระถนมาวางปลอกผลไม้ให้ให้เราก็ไม่ไม่อยากทําคือไม่ต้องไปใช้กันอะไรจนจนเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น ผุ้มบาเองร่างบาทเองซักผ้าเองผู้ที่นอนเองอาบน้ําเองล่างเท้าเองตัดเล็บเองผูตัวเองนวดตัวเองก็ต้องอย่าไปพึ่งคนอื่นเมื่อคนอื่นไม่ทําให้ก็ถือว่าทําเองไม่ได้ บางทีมันก็ไม่สมหวัไปเพราะฉะนั้นเราก็เป็นอิสระให้ถือว่าปฏิบัติทำถือว่าทําถูกแล้วบางทีไม่ไปวินฑ บ, บาตก็ไม่มีใครว่าไม่มาทําวัดแต่ถ้าถ้าปฏิบัติก็ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่าไม่มาทําวัดเพื่ อ, อความที่เกลียด คนอื่นว่ามันก็ไม่มีประโยชน์แต่ให้ตัวเองนั่นแหละว่าตัวเองอะเวลาจะได้ย็นเสียงค้องโอ้ยตื่นแล้วแต่ว่ามันขี้เกียจโอ้ยไม่อยากมาโอ้ยพอนอนก็อนอน อ, นอนันั่นแหละถ้าให้คนอื่นเตือนตรงนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเป็นเสนาบดีกล่าวต้องเตือนตัวเองลยมันจะขี้เกียจหรือเนี่ยมันจะเห็นจะนอนแล้วเนี่ยมันนอนมาตั้งหลายชั่วโมงแล้ว หรือว่าว่ามันไม่ได้นอนก็มาถึงตื่นเที่ยงคืนมันเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าก็รู้จักประมาณของตัวเองรู้จักประมาณของการใช้ชีวิตตัวเองแต่เหนื่อยมากเก็บป่วยก็ไม่มามันเป็นทําแล้วถ้าป่วยมากมากถ้าเจ็บมากมากไม่ได้หลับได้นอนว่าเอาเกียงเอาจังกับพิธีเอาไปมามันก็ผิดเหมือนกัน คิดเปรละมติปฏิบัติตัวกับตัวเองไม่เป็นปรละมัิมาเอาระเบียบเป็นปรละมัิมันก็ใช่ไม่ได้กลับมาถึงตีสองตีสามอา้าวว่าจะนอนเสียงข้องเกิดขึ้นไม่ได้นอนเอากิงกับระเบียบแล้วปรละมัิคือความจริงของชีวิตเราเราก็ลำบากเอาไปมาก็เพรียดไปชะเง้อชะง่ากังวลเกินไปสูงหลงเกินไป แข่งอกแกงใจกันจนไม่เป็นตัวของตัวก็ไม่เราจะต้องดูตัวเองเอาถ้าไม่มาทําวัดพกความขี้เกลียดพกเบื่อนหน่ยายอันนั้นใครเตือนก็ไม่ดีเท่ากับตัวเองเตือนตัวเองถ้าคนอื่นเตือนไม่จริงตัวเราเองติเตือนตัวเราเองโดยสินเล่หรือไม่ ผู้รู้ใครควรแล้วติเตือนตัวเราได้หรือไม่ น, นั้นก็มันก็อยู่กับตัวเราเพราะว่าตัวปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้เราทำอะไรมันพอดีพอดีไม่มาทำวัดไม่ไปวินทบบาถ้าพระสงฆ์จำนวนมากเอาข้าวมาเยอะๆแต่ว่าเราก็ถือว่ากิจวัดกิจวัด นะยังบอกอนุาสาทเทีย่ยวเวนทบาทหนึ่งอาศัยลำแข้งของตัวเองไม่ใช่ไปซื้ออยู่ซื่อกินแล้วก็อาหารไม่อย่างไแเราก็ฉันอย่างนั้นแต่ข้าวถ้ามันไม่มากมันก็เหลือเปือถ้ามีพระสงฆ์พอที่จะจูนเชื้อได้ก็ไม่ไปเอาจากชาวบ้านมากาเกินไปเขาพอดีพอดี ถ้าไม่มีก็ต้องช่วยกันไปบินธรบาตรบางทีสมัยอยู่พุทธยานการบินธบาตรไม่พอฉันก็ต้องรวมพลังกันไปบินธรบาตรอาหารน้อยก็ลูพระอธิการเจ้อธิการก็ลูบการแจกพัดบางทีก็เดินไปดูอาหาร เออมันไม่พอด้วยเนี่ยพอต้องช่วยกันเดี๋ยวในการแจกพัดไม่ใช่พระอธิการเป็นโยมเป็นแม่ครัวเป็นแม่คีเป็นวาสิกาเป็นวาสกพผู้แจกพัดถ้าไม่พอเขาก็จะบอกเราถ้ามันพอเขาก็จะรู้เขาก็ทำไปถ้าเมื่อใดเขาไม่บอกเราเราก็ถือว่า พออยู่กันได้ถ้ามันไม่มีจริงๆแต่ไม่ก่อนได้ยินเหมือนกันคนุฮมมาอยู่ด้วยนะ่ะของข้ออาหารเมื่อสุดท้ายของเราแล้วนะพวนี่ไม่รู้จะกินอะไรนะเราก็บอกเราเราก็ต้องหาวิธีช่วยกนะันแต่ก่อนถึงกับกินแกงแกงแหนเลยจากแกงแหนบวะที่ รู้จักแหนบ่ฮ ะ, ะจักป่แหนอยู่ในนาเป็นเส้นเขียวเขียวแ้วก่อนนะมันไม่มีอะไรไม่น้ำปลาขวดเดียวก็อุ่นใจใช่ไหกินแจงแหนต้ยมยำแจงแหนแหลวงพ่อเป็นช่างเองมันไม่มีอะไรจะแกงกับต้มน้ำปลาล่าเอาพริกเอาเกลือเอา ส้มมะนาวบีบลงคีมคีมดูมันเออพอจินได้แล้วแล้วก็มาปองลงมาเอาพอปองลงมาก็ซอยซอยแห น, นะใส่ลงไปคนๆนค น, ค น, คนลอกออกมาจิมเคยกินไหมแยงแหน่ถ้าไม่เคยก็ลองดูนะ <c oughs> ยังส้มยางส้มเหนือ <c oughs> อันนี้เราเรา เราปล่อยให้กันกดไม่เปลี่ยนหรอกหาวิธีจนได้ลน ะ, ะแต่ว่าเรารู้ไม่ไปบิณฑบาตไม่มาทำวัดไม่หรือเก็บอารมณ์ก็เลยจับประมาณการเจ็บอารมณ์ของของนักปฏิบัติสมัยก่อนหลวงพ่อก็เคยเจ็บอารมณ์แต่ว่ายังบิณฑบาตยังมาฉัน ยังา่าฉันกับหมูอยู่ไม่ได้ตักอาหารไปฉันคนเดียวฉันอยู่กับหมูอยู่สำหรับหลวงพ่อนะ่ะคนอื่นมีบ้างเม่บ้างยังา่าฉันกับหมูกับหลวงพ่อเทียนยังพูดกับหมูเห็นกันก็ถามไปเป็นธรรมบาดด้วยกันพระวางลูกชวนคุยเวลาบินธบาต เราก็รู้สึกตัวขณะที่พระเพื่อนพูดเพื่อนคุยอ้าวคุยกันมากๆเราก็ไม่อยากพูดเราก็เดินแต่ละก้าวเราก็รู้อยู่บาทีเขาพูดคำสองคำเราก็พูดตอบว่างเล็กๆแต่น้อยไปอ้าวันหลังออกไปเป็นธรบาทไปเยืนหน้าวัดเราก็เลือกได้เออองค์นั่นเขาไปทางนั้นเราก็ไปทางอื่นมาเนี้ เลือกไปทางอื่นกับพระองค์อื่นพอไปกับพระรูปนั้นชวนพูดชนคุยบ่แบบเบ้มเบ้มเบ้บบ้ม้มแล้วก็ไปทางอื่นแต่เราไม่เก่งถ้าเราเก่งก็ไปกับเขาแต่เราอยากโูภของเราคนอื่นก็ชวนพูดชนคุยแล้วก็ไปดินทบาตไปขอบไปฉันกับหมูอยู่ไม่ได้อบางที ก็ไม่ฉันวันไหนเห็นว่าไม่หิวไม่ได้ฉันเพราะเพราะว่าจะถือเป็นเรื่อง อ, อดทนไม่ได้ฉันเพราะถือว่าเป็นเรื่องขัง ว, วันนี้เราไม่หิวนะเป็นธบดีไม่ไปเราไม่ฉันตอนเช้าเราจะไปฉันตอนเที่ยงอะไรแล้วก็บอกเพื่อน บอกเพื่อนมาผมขอใช้ชีวิตเป็ดอิสระบางวันก็อาจจะมาฉันบางวันก็ จ, จะไม่มาฉันถ้าเกินเจ็ดวันไม่เห็นมาฉันก็ยังค่อยไปดูกติยังค่อยไปดูกติก็บอกบ้างแล้วก็เวลามีกินมนมนก็ขออย่าให้นิมนตไปสวดมนต์สวดอะไรในบ้าน แล้วก็เมื่อเวลามีกิจการงานหล่อท่อทำอะไรก็ขอพอรอนพิเศษให้พากันทำเองก็องบอกอย่างนี้แบะการงานบางทีมันก็มีกบบเป็นสำนักใหม่ซ่อมแซมกติทำห้องน้ำอะไรต่างๆก็อบอกกันเองประวราิาให้เขารู้จักการเจ็บอารมณ์ก็คือ มีความรู้สึกตัวสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกตัวก็หลบหลบติกติกบ้างในสิ่งที่ไม่จำเป็นนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทรเนียงก็ให้มันชัวชัวสักหน่อยไม่ใช่จะทะโนทะนอมจนไม่พูดไม่จาไม่ได้ร่วมโมร่วมมิด เราปฏิบัติเราก็ลูกของเรานี่แหละมันผิดมันถูกตรงไห น, นเราไปฉันกับโมูก็ไม่ถือว่าผิดเราไปทําวัดกับโมูก็ไม่ถือว่าผิดเราไม่ฉันกับโมก็ถือว่ามันไม่ถูกหรือมันมันผิดเราไม่ทาวัดกับโมูก็ไม่ได้ถือว่ามันผิดหรือมันถูกมันก็ถูกที่ผิดก็อยู่กับตัวเราเราที่แหละเห็นตัวเราอ๋อเราไม่มาทําวัดเวลาทําวัดเรานอนอยู่ไหมที่เก็บอารมณ์ ถ้าเรานอนอยู่ก็ถือว่าดูตัวเองหรอขี้เกียดตัวตัวเองไม่อยากเอาทุลาะอะไรมันก็ไม่ใช่ก็เลยกลายเป็นความอ่อนแอเข้าใจผิดไปซะกนะารปฏิบัติทำให้ ถ, ถูกจะผิดคอยดูแลตัวเองถ้ามีสตินะมาทาวัดก็ไม่ผิดไม่มาทาวัดก็ไม่ผิดเิ็นทบาทก็ไม่ผิดไม่เป็นทบาทก็ไม่ผิด ถ้าเห็นว่าอาหารมันพออยู่ได้มันพออยู่กันได้แต่ว่าบินทบาทก็ดีคืออย่าอย่าให้ไม่ไปบินทบาทเพราะความขี้เกลียดขี้คลาดนันได้ออกกำลังการได้เห็นโยมได้สงเคราะห์โยมโยมขอมีศรัทธาใจบาตรเราใจบาตรเรา อะไรสงเคราะห์เขาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสรุกให้เราอยู่ดอกจะผิดจะถูกเนะี่ยมันอยู่กับการกระทาของเราเราก็มีความมั่นใจอันผิดอันถูกแม้คนอื่นว่าผิดแม้คนอื่นว่าถูกเราก็ดูเราเราก็ดูเราอยู่เราก็ไม่หลง คนอื่นเราก็ไม่หลงกับตัวเองเราก็ดูในสิ่งที่มันหลงที่เกิดขึ้นกับตัวเราเราก็ดูในสิ่งที่มันไม่หลงเกิดขึ้นกับตัวเราความถูกต้องความเป็นสัจธรรมมันมีอยู่มันมีอยู่ไม่ต้องรังเลสงสัยเวลาเราปฏิบัติเนี่ยขัวหน้าขัวหลังตั้งต้นไม่ค่อยถูกทำให ม, ใหม่บางทีเราก็เป็นคนดีเนี่ย เรามาปฏิบัตินี่ยเราไม่ได้ชั่วอะไรเลยเราเป็นคนดีมาอยู่ทําไมต้องปฏิบัติประเด็มก็ยึดในทิฐิความดีของตัวเองปฏิบัติเนี่ยมันเป็นยังไงมายกมือสร้างจังหวะเนาะมันมากําหนดความรู้สึกตัวให้รู้สึกตัวต่อเนื่องโอ้เรามาสร้างตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ความดีที่มันมีอยู่เรามาสร้างให้มันรู้ต่อเนื่องเราก็ดูตัวเอง แต่ก่อนนั้นก็สงสัยทำไมเราต้องปฏิบัติเราก็เป็นคนดีอาจจะดีกว่าพระแต่ในก่อนก็คิดเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็เคยเห็นพระที่ไม่ดีก็มีแต่ไม่ได้รังเกียจเห็นพระไม่ดีไม่ใช่เบื่อเห็นพระไม่ดีเราสงสารเราสงสารพราตาสาวะเราอยากเป็นพระ เราอยากทําหน้าที่ของความเป็นพระจะให้เราเป็นโยมไม่ได้รังเกียจไม่ได้เบื่อไม่ได้ไม่เข้าวัดเข้าวาไม่ใช่นะเราสงสารผ้าเหลืองอยากจะเป็นพระมารับผิดชอบก็ชิดไปทำนองนั้นแต่บางทีเราก็เป็นคนดีไปเห็นพระที่ปฏิบัติร่วมกันเราเป็นโยมพระก็ยังไม่รู้อะไรเราอยากเราอยากรู้เราอยากเป็น ผู้ที่สอนผนผู้ที่สอนเรายังสูบบุหรี่อยู่ยังหัวอ้าปากเข็นเหงื่อเข็นฟันอยู่ยังกัดกินกล้วยยังอ่ายังเล่นกันอยู่เล่นหัวกันอยู่หยอกล้อกันอยู่เอแล้วก็ไม่ได้เบื่อถ้าไปอุคมเบื่อในขณะที่เห็นเวลาปฏิบัติอยู่ในสำนักปฏิบัติก็หลงพระเทียนแล้วจะห น, นีไปแล้วหลงพระเทียนติดหลงพระเทียนที่เป็นผู้สอนเราก็ทำอย่างนี้อยู่อ เราก็จะคิดไปทำนองนั่นเราก็เลยไปคิดไปทำนองนั่นก็หอบกระเป๋ากลับบ้านไปหาอาจารย์อีกศอกสอกสอ ก, สอ ก, สอกไปหาอีกเขาคงจะพบอีกนะเขาคงจะพบอิดโอ้เราก็ไม่ใช่แต่เป็นความผิดความถูกมันอยู่ที่ตัวเรานี่จะไปผิดกับคนอื่นจะว่าถูกกับคนอื่นไม่ใช่เรื่องตัวเราเราก็เลยอ๋อ เรามาสร้างสตินี้มันก็มีสติอย่างนี้มันก็มีความรู้สึกตัวอย่างนี้คนอื่นจะเป็นคนอื่นก็เป <อ around. S 1> ็นเรื่องของเขาเราไม่ใช่ไปเอาผิดเอาถูกกับคนอื่นฟังหลวงพ่อเทียนเทศเวลาหลวงพ่อเทียนเทศเราก็ฟังสิ่งที่เราไม่มีสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดเราก็สร้างให้มันมีสิ่งที่มันยังไม่เป็นเหมือนหลวงพ่อเทียนพูดเราก็สร้างให้เป็น สิ่งที่มันมีแล้วหลวงพอ่อเทียนพูดมันมีอยู่กับเราเราก็ก็ถือว่าถูกต้องหลวงพอ่อเทียนพูดเรื่องรูปเรื่องนามเราก็เห็นเรื่องรูปเรื่องนามหลวงพอ่อเทียนพูดเรื่องทุกเราก็เห็นความทุกข์หลวงพอ่อเทียนพูดเรื่องอะไรเราก็มีถ้าสิ่งที่หลวงพอ่อเทียนพูดเราไม่มีเราก็พยายามทํา เราก็พยายามทำให้มันเกิดให้มันมีขึ้นมาล้วก็อุ่นใจมีครูมีอาจารย์ผู้สอนฟังเอาคำพูดเราเอามาทำคนอื่นพูดคนอื่นทำบางทีเราก็ไม่สนใจเพราะไม่ใช่หลวงพ่อเทียนถ้าเขาผิดก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาถูกเอออันนี้ก็ ใช่แล้วแล้วก็อยู่กับเราบ้างอยู่กับเขาบางแต่ถ้าสิ่งที่เขาพูดมันมีอยู่กับเราแต่เขาอาจจะไม่มีก็ได้แต่เวลาเขาทำเขาทำอย่างอื่นเช่นพระวางลูกพูดเรื่องลูกน้ำแจ้วเวลาเขาปฏิบัติไม่ใช่เรื่องลูปน้าแต่เวลาเขาพูดมปนถูกอยู่โอะคนที่รู้จักรูปน้าเขาจะไม่พูดอย่างนี้เขาจะไม่ทำอย่างนี้นี่มันก็เป็น่างน้ำไป เราก็รู้ไม่เอาผิดเราถูกกับเขาแต่ว่าคนที่รู้จักรูปนามไม่ทําอย่างนี้ดอกนะคนที่จะรูปนามเขาจะไม่พูดอย่างนี้คนจะคนที่รู้จักรูปนามเขาไม่คิดอย่างนี้แล้วก็วัดสิเรามีมิตเตอร์ของเราเราก็วัดไม่ใช่ว่าเขาพูดเราจะเฮไปตามเขาเพราะว่าอ น, นั้นก็ทําได้กินสมอคําป้องกินได้ ตอนบ่ายมามากินสมอขำป่อมตีวงก็นกินเออเพรารู้จักรูปนามจะต้องไปสแสดงหาถึงปานนี่เลยขึ้นต้นไม้นะไม่เออเราเราไม่ทำแบบเขาแตบบ่เขาพูดรูปเขาพู ด, พ ด, พดนะเราสอนเขาสอนเราไม่ทำบางอย่างเราไม่ทำมันเขาเราไม่ทำมันเขาเราไม่พูดเหมือนเขาเราไม่คิดเหมือนเขาก็ มันเป็นความถูกต้องที่มันมีอยู่กับเราจริงๆเป็นปัจจัตตังจริงๆการปฏิบัติธรรมน ะ, ะเพราว่ายึดมั่นถือมั่นกับตัวกระทํรมของคนอื่นความกระทํรรมของเรามันคงเส้นคงวาไม่มาทาวัดไม่มาบิณฑบาทไม่มาทำอะไรมานก็จริงๆแล้วเราก็คงเส้นคงวาอยู่ดอก แต่ว่าขายานทิ่งหมูทิ้งเม็ดบางโอกาสจจนเจือช่วยเหลือขำโจนดึงกันไปอเอาทลุล อ, อยจะเห็นแจ็ความเหน็ดความเหนื่อยอแต่บางทีมันก็หนักมากก็ไม่ไหวนะเจ็บป่วยเนี่เอาจริงๆก็ไม่ไหวเกื่อนของผมตายเลยตายขณะทำวัดเนี่ย ตายขนาดทำวัดพอทําวัดศบกําลังว่าจะโพดโลกมงึงหรองานหนักเกินไปอยู่วัดธาตุคงน้องหานเอางานเอาการสอนสอนมากจนไม่มีเวลาพักผ่อนตายเลยสองสามปีมาเนี่ก็ตายอยู่วันน้องแก้องค์นั่งปฏิบัต พ, พู้เท่าพระพู้เท่าตัวเองก็เป็นสุขภาพไม่ดีมาทาวัดสวดมนต์ฟังเทพทางเทพนั่งทรมานให้มาก็ครัวหมจะว่าใจมันวายไปวิวพอไปสุก็ตายาเรียกว่าตายในสนามก็ดีมันจันตายนอกสนาม ใ น, นมันตายในสนามลกแต่บางทีมันไม่ควรที่จะตายไม่ต้องลกก็ได้นะพักผ่อนสักน้อยพอดีเหมือนกันถ้าเห็นว่ามันไม่ไหวก็พักผ่อนเอาแรงต่ออีกสักหน่อยไม่ใช่ว่าหมดแรงเท่าไหก็ยังทำอยู่มันก็เบียดเบียนตัวเอง <c oughs> <c oughs> การปฏิบัติทำกับมันกันให้พอดีนะต้องนอนต้องกินให้อิมต้องนอนให้อิม การเบียดเบียนตนก็เป็นบาแลวกินให้อิ่มนอนให้อิ่มการใช้ชีวิตพอดีพอดีอาบน้ำอาิวบก็พอดีพอดีอินซีก็ให้พอดีพอดีศรัทธาศีลความเพียรให้พอดีพอดีมันมีความพอดีอยู่ถ้าเจริญสติเนี่ยสติพาให้เกิดความพอดี ถ้าไม่มีสติก็อาจจะสุดตรงไปทางใดทางหนึ่งความรู้สึกตัวมันทำให้เกิดความพอดีปฏิบัติตงปฏิบัติทีปฏิบัติตตออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรมันก็คือตัวสตินี่แหละไม่ใช่ไปจัดอันอื่นตรงก็มีสติมันมันหลงมีสติให้ปฏิบัติตงมันทุกข์มีสติ นี่ปฏ so uh oh wow. ิบัติตรงการขณะที่ปฏิบัติตรงก็ปฏิบัติดีขณะที่มีสติมันก็ออกจากทุกข์ขณะที่มีสติมันก็สมควรมีสตินี่มันปฏิบัติดีมีสตินี่มันปฏิบัติตรงมีสตินี่มันปฏิบัติออกจากทุกข์มีสตินี่แหละมันปฏิบัติสมควรไม่ใช่ตรงอยู่อันอื่นดีอยู่อันอื่นออกจากทุกข์อยู่อันอื่นสมควรอยู่อันอื่นไม่ใช่อันเดียว มีสติอันเดียวก็พูดปฏิบัติกับคนก็พูดถูกทำถูกคิดถูกปฏิบัติกับตัวเองก็พูดถูกทำถูกปฏิบัติกับวัตถุสิ่งของก็พูดถูกทำถูกปฏิบัติกับอะไรก็ตามเอาเม็ดไปใช้เจ็บเม็ดเอาจอบไปใช้เจ็บจอบเจ็บเสียมเอากาเอาแก้วไปใช้เจ็บกาเจ็บแก้วรู้จักช่วยเหลือรู้จักอะไรต่างๆนั้นแนีะ ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตอตตอกจากทุกปฏิบัติสมควรคือมีสตินี่แหละนะไม่ใช่อยู่คนละที่มันอันเดียวกันแม่อยู่คนละที่ก่อนเดียวกันมีสติมีความรู้สึกตัวเข้าไปเกี่ยวข้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อเกจะเป็นพวงเป็นกลุ่ม ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกข์ปฏิบัติสงขวรมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีทั้งสติมีทั้งศรัทธามีทั้งความเพียรมีทั้งการสํารวมอินทรีย์นะอยู่ในนั้นหมดถ้ามีสติปรเลยพูดอยู่สมว่าถ้ามีสติมันก็ละความชั่วถ้ามีสติมันก็ทําความดีถ้ามีสติกิด ม, ม, มันก็บริสุทสธิ์มันเป็นศีลเป็นสมาธิ อยู่ในตัวทั้งหมดเลยปฏิบัติการเจริญสตินี่มันมันจับอะไรมันจับอันเดียวมันได้หมดมาเป็นพวงถ้าหลงถ้าไม่มีสติก็ไม่ได้เลยความหลงก็มาเป็นพวงเกิดกิเลสตนานะเพิ่มโลกโกรธหลงไปโน่นนะอ้อก็ต้ควรเก็บเวลาก็กราบพระพองกัน ต้นม้ต้นพ่